205, ฝันหรือนิมิตในขณะนอนหลับคืออะไรสำหรับคนทุกคนทั้งนั้นตามสามัญทั่วไปนั้นสัญญายังทำงานทั้งในความจำทั้งในการกําหนดหมายที่จะทำงานสังขารอยู่ไม่ว่าตอนตื่นอยู่หรือในตอนนอนหลับ แต่ในขณะนอนหลับไม่มีองคาพย์จากภายนอกร่วมด้วยนั้นความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ครบบริบูรณ์ทั้งภายนอกและภายในเพราะไม่มีองคาพยกภายนอกมีส่วนในสติมันโตครบครันจึงมีแค่อาการภายในซึ่งไม่ครบ32สอง เช่นไม่มีผมขนเล็บฟันผิวหนังเมมเบรนส่วนที่ยังไม่ใช่พลัสมาเมมเบรนเป็นต้นแม้แต่เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอาหารใหม่และอื่นๆบางส่วนที่พักกิจก็ขาดพลังจากภายนอกร่วมทำงานถึงภายในจึงลดประสิทธิภาพของสติลงไปด้วย พลังงานสติในภายในขณะไม่มีสัมผัสภายนอกจึงไม่เป็นสติมันโตเต็มสภาพพลังงานของสติจึงไม่เต็มเต็งหรือไม่เต็มบริบูรณ์ของความเป็นสติเต็มที่ของตนของตนสติจึงทำงานได้เท่าที่เหลือขณะนอนหลับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้ฝึกหาดสร้างสติ ให้ทำงานได้แข็งแรงแกร่งกล้าในขณะอยู่ในพวังเหมือนผู้ที่ได้ฝึกสมาธิหลับตาบางคนซึ่งได้ฝึกทำสติให้ตื่นรู้อยู่ในภายในก็จะมีสติแข็งกล้าในยะหนึ่งซึ่งก็มีสติได้มากกว่าผู้ไม่ได้ฝึกตามจริง กระนั้นก็ดีสติของผู้ได้ฝึกสมาธิหลับตาก็ใช่ว่าจะรู้จักรู้จริงการควบคุมสัญญาให้สังขารได้จริงดีเท่ากับผู้เรียนรู้การฝึกสติที่สัมมาทิฏฐิส่วนมากผู้ฝึกเกโตสมถะที่ไม่ใช่การฝึกอย่างสัมมาทิฏฐิ ก็จะเก่งไปข้างทำเจโตสมชาธิเท่านั้นมากกว่าดังนั้นสติจึงควบคุมสัญญาทำงานได้ตามกำลังของสติที่เหลือเท่านั้นของแต่ละคนความฝันก็คือสัญญาจากส่วนที่เป็นความจำของตนนั้นหนึ่ง กับสัญญาที่ทำงานกาหนดหมายอยู่ในปัจจุบันขณะหลับนั้นอีกหนึ่งก็จะเป็นตามแรงกิเลสและจิตที่ยังมีมโนสัญเจตนาของตนเท่าที่มีความสามารถจะปรุงแต่งสังขารได้ด้วยสติที่ไม่เต็มแถมมีวิปลาสสาของตนของแต่ละคนเท่าที่มีจริงอีกเป็นสาคัญ จึงเกิดเรื่องราวต่างๆในฝันเป็นความวิปลาสแท้ๆอยู่จริงความฝันจึงคือความเป็นวิปลาสสามของตนตัวแท้ฝันหรือนิมิตในขณะนอนหลับจึงเป็นการเนรมิตเองตามสัญญาและทิฐิสร้างมโนโมยอั ต, ตาให้ตนเป็นทุกข์เป็นสุขอยู่ ชานี้ s แหละวิปลาสสามสมบูรณ์แบบของคนเท่าที่มีทุกคนก็วิกลวิการไปตามจิตวิปลาสเท่าที่มโนสัญญาเจตนาสามจะทำงานฝันจึงเป็นเรื่องราวของเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยที่ปรุงแต่งกันอยู่อย่างคนสติไม่เต็มซึ่งประกอบด้วยความจำนั้นหนึ่ง และสองมนสัญญยัจเจาที่เต็มไปด้วยความต้องการ 3. กิเลสที่หลากหลายตัวการสำคัญทำงานกันอยู่ในภพที่นอนหลับหรือขณะอยู่ในพวังแล้วปล่อยให้มันปรุงแต่งไปตามเจตนาบ้างไม่มีเจตนาบ้าง ก็เกิดเรื่องราวอันวิปลาสวิปริตไปตามเรื่องนี้คือฝันที่คนผู้วิปลาสหลงยึดถือว่าเป็นความจริงกัน